เรียนกรรมฐานนะพวกเราบางทีใจร้อนอยู่ก็อ ย, อยากจคเรียนวิธีปฏิบัติเลยไม่รู้หลักอยากจะให้บอกให้นั่งสมาธิท่านี้เดินท่านี้เราะนั้นมันเปลือกของการปฏิบัติเรียกว่ารูปแบบรูปแบบการปฏิบัตินะเป็นตัวร้องตัวหลักที่ต้องเรียนให้ได้ก็คือวิธีปฏิบัติ ห ล, หลักของการปฏิบัติพอรู้หลักแล้วเราก็ต้องไปดูว่าภายใต้หลักการของการปฏิบัติทางสมถะทางวิปัสสนาเนี่ยเราควรจะใช้รูปแบบอะไรการเลือกรูปแบบนั้นเราเลือกตามจริตนิสัยเป็นหลักเลยดูจริตนิสัยอีกอย่างหนึ่งที่ใช้ประกอบการดูนะ คือดูว่าเคยทำมาอย่างไงการดูจริตนิสัยเนี่ยดูง่ายอย่างพวกเราบางคนชี้โมโ ห, โหชี้โมโหเนี่ยทำกรรมฐานอะไรแล้วจิตจะสงบเพื่อต้องเจริญเมตต า, าพวกราคะมากอาจจะพิจารณาอาสุภากรรมฐานอะไร พวกใจฟุ้งมากๆจะทำอนาปนาสติรู้ลมหายใ จ, จใจก็สงบพวกมีศรัทธามากนะก็คิดถึงพระพุทธเจ้าใจก็สงบนะนี่เป็นตัวอย่างให้ฟังถ้าเป็นคนรักสวยรักงามก็ทำวิปัสสนาให้ดูกายดูเวทนาเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ทั้งหลาย ถ้าเป็นพวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็ น, เ, นเวลาทำวิปัสสนา เ, นเราดูจิตจิตตานุปัสสนาเห็นจิตที่เป็นกุศลจิตที่เป็นอกุศลกับเจริญธรรมานุปัสสนาเห็นรูปธรรมนา ม, มาทำทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปรู้เหตุรู้ผลนะว่าอันนี้ทำไมเกิดอันนี้ทำไมไม่เกิดอะไรอย่างเงี้ยเราจะดูจาก จริตนิสัยนะแต่ดูจากจริตนิสัยจริงๆนะยังไม่พอทีเดียวหรอกต้องดูของเก่าด้วยว่าเคยทํามาอย่างไงหนึ่งครูบาอาจารย์ที่ดูตัวนี้นะเป็นตัวหลักเลยคือหลวงปู่ดุลหลวงปู่ดุลเนี่ยเวลาเราเข้าไปหาท่านขอเรียนกรรมาฐานท่านยังไม่สอนหรอกท่านจะหลับตาเงียบไปเลยนะ เกือบๆชั่วโมงที่บางคนต้องชั่วโมงกว่าท่านก็จะชี้ขาดเลยคนนี้พอวนาแบบนี้แบบนี้ไปทำแบบอื่นไม่มีได้ผลนะถ้าทำแบบที่ท่านบอกนะแปบ๊บเดียวได้ผลละสมัยพุทธกาลก็มีช่างทองคนหนึ่งเป็นคนหนุ่มเป็นช่างทองออกบวชไปอยู่กับพระสารีบุตร ภาษรีบุตก็คิดว่าพวกทำทองเนี่ยต้องเป็นพวกราคะาจริตชอบสวยชอบงามอะไรพวกนี้ก็สอนให้พี่จารณาอสุภกรรมฐานพี่นาศบกว่าคนนี้ใจไม่ยอมเลยใจไม่ลงพุทธเจ้าท่านต้องสำรวจดูถ้าท่านเอาดอกบัวแดงให้ดอกหนึ่งล้วใครไปอินเดียจะเห็นเขาใช้บัวสายไหว้พระบัวแดงแดงไม่ใช่บัวหลวงอย่างที่เราไหว้นี้ เป็นบัวแบบที่เรามากินก้านมันแต่ว่าของเขาบานได้ของเราไม่แบบบานนะ เ, นเด็ดขึ้นมาเาหุบเลยพร้อมจะลงมอกแกงบานได้เกะ ก, กะ้าเอาดอกบัวสวยๆนะให้ไปปักบนพื้นสายให้นั่งดูไปบริกรรมไปเรื่อยมันแดงแดงแดงชอบใจมันชอบใจมันชอบใจมีความสุข ใจมีความสุขใจมีความสงบนะใช้หลักอันนี้ไม่ได้ดูฉลิตหรอกดูเลยว่าใจชอบอะไรใจคุ้นเคยอะไรนี่ชอบของสวยเอาของสวยให้ดูแต่เป็นของสวยที่แปรปรวนง่ายเอาเพชรนินจินดาไปให้ดูึมันไม่ยอมแ ป, ปรปลวนดูแล้วเพลินเอาดอกไม้ไปให้ดูครูบาอาจารย์ที่จะรู้ขนาดนี้นะหายากมาก หลวงพ่อยังไม่เห็นในยุคหลังๆนี้ไม่เห็นองค์อื่นนะเห็นองค์ปุ ด, ดุลเท่านั้นเองนอกนั้นครูบาอาจารย์เคยเพรานาแบบไหนก็จะสอนแบบนั้นครูบาอาจารย์เคยพุโทโธก็สอนพุดโธเคยหายใจก็สอนหายใจเคยขยับมือทาจังหวะก็สอนขยับมืออะไรเงี้ยเคยดูกายก็จะให้ดูกายคนไหนหัดดูจิตมานิดหน่อยก็จะให้ดูจิต ที่จริงแล้วมันต้องดูตัวเองแต่ก่อนที่เราจะก้าวล่วงไปถึงขั้นมาดูตัวเองว่าควรกับกรรมฐานอะไรนะเราต้องรู้หลักของการปฏิบัติให้แม่นเสียกอ่อนไม่งั้นเราจะมั่วทำกรรมฐานอะไรก็ใช้ไม่ได้หมดเลยเพราะว่าทำไม่ถูกหลักกรรมฐานนั้นมีสองส่วนส่วนหนึ่งเรียกว่าสมถกรรมฐานส่วนหนึ่งเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐาน สมถกรรมฐานนั้นทําไปโดยมีวัตถุประสงค์สองอันอันที่หนึ่งทำเพื่อให้จิตได้พั ก, พกผ่อนมีเรี่ยวมีแรงจิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวจิตก็ได้พักผ่อนอันที่สองทำไปเพื่อให้จิตตั้งมั่นมีความพร้อมสําหรับการเจริญปัญญากรรมฐานสองอันนี้ไม่เหมือนกันสมาธิสองชนิดนี้ไม่เหมือนกัน อันหนึ่งทำไปเพื่อความสงบได้พักผ่อนนหนึ่งทไปเพื่อให้จิตตั้งมั่นจะสามารถไปแยกรูปนามเห็นรูปธรรมนามธรรมแยกจากกันได้ถ้าเจริญวิปัสสนาได้เนี่งานของสมถานั้นเขาจะเพื่อสองวัตถุประสงค์นี้สวัตถุประสงค์ที่ต่างกันก็มีวิธีปฏิบัติที่ต่างกันวิธีที่จะฝึกให้จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวได้นะปกติจิตเราจะ เที่ยวหาความสุขตลอดเวลาการที่จิตเราวิ่งพลานวิ่งไปดูก็หวังว่าจะมีความสุขวิ่งไปฟังก็หวังว่าจะมีความสุขวิ่งไปดมกลิ่นวิ่งไปลิ้มรสวิ่งไปรู้สัมผัสทางกายก็หวังว่าจะมีความสุขวิ่งไปคิดนึกให้เพลิดเพลินทางใจก็หวังว่าจะมีความสุข การที่จิตปิ๊งพลาดไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจหวังว่าถ้าได้รู้รู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสทางกายรู้เรื่องราวคิดนึกทางใจแล้วจะมีความสุขแต่ปรากฏว่ามันไม่มีความสุขจริงอย่างเราไปดูหนังมีความสุขเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็เบื่ออยากไปดูอย่างอื่นต่อคนดูหนังเสร็จต้องไปฟังเพลง หวังว่าฟังเพลงจะมีความสุขฟังแล้วค่อย่างนั้นนี่มีความสุขแวบบเดียวเดียวหายไปกแล้วก็ไปหาอะไรกินต่ออย่างเวลานัดชุมนุมกันนะไปดูหนังไปฟังเพลงบางทีก็ไปร้องคาราโอเกะทํำลายประสาทคนอื่นเขาบางคนเสียงมันนักเตี๋ยจริงนะร้องเพลงไม่เป็นนะอยู่วัดนี่ยังได้ยินบางทีเปิดมานะฟังแล้วโอ้เหมือนเสียงในอบายนะ หัวหัวนะ่ฟังรัศรีสังเวชเนี่ยไปร้องเพลงหวังว่ามีความสุขเสร็จแล้วก็งันงั้นไปหาของอร่อยกินหวังว่ามีความสุขไปคุยกับเพื่อนโทรศัพท์คุยแชทบ้างไลน์บ้างอะไรก็หวังว่ามีความสุขใครไปไลน์กับเขาหวังว่าจะมีความทุกข์ไหมไม่มีหรอกหวังแต่หาความสนุกสนานเพลิน อยู่เฉยๆก็นั่งคิดไปคิดฝันเฟื่องไปให้มีความสุขแต่มันไม่มีจริงความสุขพวกนั้นเป็นของชั่วคราวท่านเองใจเรามันมีความหิวตลอดเวลาได้อารมณ์อย่างนี้มาแล้วแป๊บเดียวก็เบื่ออยากได้อารมณ์อนอื่นเหมือนมีเมียหนึ่งคนนะก็อยากได้คนที่สองได้คนที่สองอยากได้คนที่สามอะไรเงี้ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อยๆอารมณ์เดิมแล้วเบื่อ เพราะฉะนั้นจิตเราจะวิ่งพล่านอยู่ตลอดเวลานะเพราะเที่ยวหาอารมณ์ที่มีความสุขแต่หาไม่เจอผู้ฉลาดก็จะมาสังเกตจิตใจของเราเองว่าถ้าจิตเราได้อยู่กับอารมณ์ชนิดไหนนะแล้วมันจะมีความสุขจริงๆก็ต้องสังเกตตัวเองอารมณ์มันนั้นต้องไม่ยั่วกิเลสเพราะกิเลสเนี่ยทำให้เกิดความทินรนมากขึ้นมากขึ้น ยิ่งรอบมากนะก็ยิ่งรอบมากขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งขี้โกรธก็ยิ่งโกรธมากขึ้นไปเรื่อยๆงั้นเราต้องดูอารมณ์ที่มันมียั่วกิเลสแล้วอารมณ์อันั้นเป็นอารมณ์ที่จิตชอบอย่างคนไหนชอบพุทโธบ ร, ริกรรมพุทโธพุทโธนะให้จิตอยู่กับพุทโธจิตมีความสุขอยู่กับพุทโธจิตก็เลยไม่วิ่งพลานไปหาอารมณ์นอนื่นเมื่อจิตไม่วิ่งพลาดไปหาอารมณ์อนื่นจิตก็สงบอยู่ในอารมณ์นัเดียวก็ อ, อยู่กับพุทโธ นี่คือหลักของสมถกรรมฐานบางคนไม่ชอบพุทธโธราคาญจะเอาคําอื่นก็ได้เคยมีนะมีพระองค์หนึ่งลูกศิษย์หลวงพ่อพุธนี่แหละหลวง พ, พ่อพุธเล่าหลวงพ่อได้ยินด้วยตัวเองนลมีพระบวชอยู่กับท่านท่านก็สอนให้พุทธโธพุทธโธแคพุทธโธอยู่พักเดียวนะพระหนุ่มหนุ่มหพุทธโธพุทธโธไปกลายเป็นไปท่องชื่อแฟนตกใจตัวเองนะ ว่าตายแล้วเราใจบาปหยาบช้าท่องชื่อพระพุทธ เ, ธเจ้าทแท้ๆนะกลายเป็นชื่อแฟนรีบไปบอกหลวงพ่อพุธหลวงพ่อพุทธท่านก็บอกว่าว่าจิตมันชอบคํานี้ก็ให้บริกรรมชื่อแฟนไปนั่นแหละบริกรรมไปเรื่อยๆนะแต่อย่าไปคิดอะไรต่อนะเอาแค่บริกรรมพระนี้ก็บริกรรมชื่อแฟนไปเรื่อยในสุดภาพก็ปรากฏหูสวยมากเลย แต่ก็ไม่ทิ้งคำบริกรรมบริกรรมไปเรื่อยๆสุดท้ายภาพนิมิต ท, ที่เกิดขึ้นนะมันแสดงความแปรปรวนให้ดูเข้าใจเป็นคนดูแบบไม่อินกับมันไม่เพลิดเพลินกับมันภาพก็ค่อยๆฉราให้ดูผมงอกนะผมงอกฟันก็ชักจะหลอ่ออะไรอย่างนี้นะฉราหนังเหีย่ยวสุดท้ายล้มลงไปไตายเน่าเปื่อยหัวพร้านี้นะใจรวมเลย ใช่รวมเลยไม่เอาแล้วคนนี้งั้นบริกรรมอะไรก็ได้นะที่ใจมันชอบแต่ต้องไม่ไปกระตุ้นกิเลสนะบริกรรมชื่อแฝงแล้วคิดถึงอู้สวยอย่างง้นตาก็สวยหูก็สวยจมูกก็สวยปากก็สวยยิ้มก็สวยดีไปหมดเลยเส้นผมละเอียด อ, อ่อนอะไรเงี้ยนะเห็นไปดูอย่างนี้นะตาคาเกิดเลยยิ่งยิ่งแย่ใหญ่ไม่ไม่สงบหรอกมันยั่วกิเลสต้องเอากรรมฐานที่มันไม่ยั่ว หรืออย่างบางคนทำอนาปนสติแล้วมีความสุขหายใจออกรู้สึกตัวมีความสุขหายใจเข้ารู้สึกตัวมีความสุขเนอย่างนี้ถึงเรียกอานาปนสติเป็น บ, บังคับจิตให้อยู่กับลมนะจิตเคร่งเครียดไม่มีความสุขหวังว่าจะสงบไม่สงบหรอกเพราะจิตจะสงบได้จิตต้องมีความสุขนะถ้าจิตไม่มีความสุขจิตจะวิ่งไปหาอารมณ์อื่นต่อไปก็ฟุ้งซ่านต่อ อย่างหลงพ่อตั้งแต่เด็กนะชอบหายใจธรรมานาปนสติหายใจจิตอยู่กับลมหายใจมีความสุข้จิตอยู่กับลมหายใจมีความสุขนะจิตค่อยสงบลมก็ละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆลมนะตื่นตื่นตื น, ตนสุดท้ายลมก็กลายเป็นแสงตอนที่จิตไปรู้ลมหายใจลมหายใจเรียกว่าบริกรรมนิมิตตัวที่มันแปลสภาพเป็นแสงสว่างเรียกว่าอุคหะนิมิตนะ ตรงที่มันกําหนดแสงได้ให้ใหญ่ให้เล็กให้สว่างแค่ไหนก็ได้ให้แคบลงเท่าปลายเข็มก็ได้ให้โตอย่างผ้าทิชชู่จันอะไรเงี้ยก็ได้เพราฉะนั้นเป็นปฏิภาคนิมิตแล้วจิตสงบจิตชอบมีปีติมีความสุขอะไรขึ้นมาชอบฟองยุบดูท้องฟองยุบแล้วสบายใจก็ดูไปขยับมืออย่างหลวงพ่อเตียนแล้วสบายใจก็ขยับไปแต่ถ้าขยับแล้วเครียดอย่าไปทำถ้าเครียดเมื่อไหร่นะใจไม่สงบหรอก นี่คือหลักของสมถะกรรมฐานชนิดที่ฝึกให้จิตสงบสมถะกรรมฐานเป็นการเตรียมจิตให้พร้อมสําหรับการทําวิปัสสนานะจิตที่จะพร้อมสําหรับทำวิปัสสนาแรกต้มีแรงมันมีแรงได้เพราะมันได้พักผ่อนได้สงบร่างกายกับจิตใจนั้นตา่ตาง ก, ก, กันร่างกายจะแข็งแรงถ้าเคลื่อนไหวบ่อยๆแต่จิตใจเนี่ยต้องนิ่งถึงจะแข็งแรงร่างกายต้องเคลื่อนไหวถึงแข็งแรง จิตใจมันจะนิ่งนะีจะแบบบังคับให้นิ่งนะจิตใจไม่มีความสุขจิตใจไม่มีความสุขจิตจะยิ่งดิ้นมากขึ้นเพน้บางคนทํากรรมฐานแล้วจิตยิ่งฟุ้งกว่าเก่าอีกนะเพราะเลือกกรรมฐานไม่ถูกต้องดูอยู่กับอะไรแล้วมีความสุขแล้วก็ไม่ยั่วกิเลสนะอย่างถ้าด่าคนแล้วมีความสุคนี้ยั่วกิเลสนะไม่สงบจะดูท้องฟองยุบดูร่างกายมันเดินจงกรมก็ได้นะี่ทำอะไรสักอย่างหนึ่ง หรือดูจิตดูใจตัวเองนะดูจิตใจสว่างว่างไปอยู่กับความสว่างความว่างอนะไรเงี้ยจิตใจมีความสุขอย่า น, นี้ก็ใช้ได้พอจิตมันมีความสุขอยู่ในอารมณ์ันใดแล้วมันจะไม่วิ่งพล่านไปหาอารมณ์อื่นมันจะไม่ฟุ้งซ่านจิตก็สงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวมีความสุขขึ้นมานะอารมณ์แต่ละชนิดให้ระดับของความสุขที่ไม่เท่ากัน อารมณ์บางอย่างได้ความสุขความสงบแค่ระดับอุปจารสมาธิอารมณ์บางอย่างได้อัปปนาสมาธิแต่อัปปนาสมาธิชนิดเป็นรูปฌปานอารมณ์บางอย่างเป็นอัปปนาสมาธิชนิดเป็นอรูปฌานดันั้นอารมณ์ที่เราเลือกเนี่ยมันไม่เหมือนกันให้ผลสมาธิที่สงบเนี่ยไม่เท่ากันอย่างถ้าเราพุทโธพุทโธพุทโธไปอย่างนี้ได้ความสงบ เชนนิดอุปจารสมาธิไม่เข้าฌานถ้าเรารู้ลมหายใจเนี้ยเข้าฌานได้ฌานหนึ่งสสาสได้เข้ารูปฌานได้อย่างเราจเจริญเมตตาเนี้ยเข้ารูปฌานฌานที่ห้าหเดแปเข้ารูปได้ถ้าจเจริญเมตตาเมื่ขึ้นไปถึงฌานเนะจนะเราจะเบียดขานเนี่ยจะขึ้นฌาน8ได้อารมณ์แต่ละตัวนะจะได้สมาธิสงบไม่เท่ากัน แต่พวกเราอย่าลบมากนะแล้วดูตัวเองทำอัไหนได้ทําอันนั้นทำอัไหนได้ก็ทําอันนั้นอย่างที่หลงวงพ่อสอนเมตตาคุณังระหังเมตตานะบริกรรมเล่นๆบริกรรมไปเรื่อยๆนะถึงถ้าเราเคยมีวาสนาเก่านะบริกรรมไปนะจิตรวมร่างกายหายเลยนะร่างกายหายไปเลยใจสว่างว่างมีแต่ความสุขความเมตตานี่กระแสความเมตตาเต็มโลกธาตุเลยนะนะเข้าอารูปไปเลย เราดูความว่างก็เข้ า, ารูปได้ดูความไม่มีอะไรก็ได้งั้นอารมต้องดูตัวเองนะทําอะไรได้ก็อ น, นั้นไม่ใช่เพื่อนเขาทำอันนี้ได้สูงเราทําให้เป็นก็อยากจะทําอย่างเขามันก็ไม่ได้หรืออย่างเราพิจรารณาร่างกายเป็นปติคูณสุภาษณ์พิณาถ้ายังคิดอยู่ก็ได้อุปจารสมาธิ ดูไปดูร่างกายไปดูร่างกายไ ป, ไปเห็นมันเป็นก้อนธาตุแล้วก็ไปดูธาตุต่อนะก็จะได้รูปประชานได้เป็นกสินนะก็เป็นกสินได้นะครูบาอาจารย์องค์หนึ่งเคยสอนสมาธิแบบย่อที่สุดเลยนะสั้นชุดจูเลยสมาธิชั่วขณะเท่านั้นเองหนะโรงปู่เทศโรวงปู่เทศนี่เป็นลูกศิษย์หลวงปูมั่นที่เชี่ยวชาญเรื่องสมาธิมากเลย ที่ท่านเชี่ยวชาญมากเพราะท่านติดสมาธิอยู่10บกว่าปนะีเลยเชี่ยวชาญมากท่านก็สอนบอกพวกที่ทำงานที่ต้องคิดทั้งวันเนี่ยมีวิธีที่จะทำสมาธิแบบย่นย่อมากเลยนะลองกลั้นใจกลั้นหายใจสักอึดหนึ่งนะกลั้นใจระหว่างที่กลั้นใจเนี่ยให้เอาความรู้สึกจับเข้าไปตรงที่ความนิ่งๆิ่งว่างๆของใจลองกลั้นใจแล้วลองจับที่ความรู้สึกนิ่งๆิอู เห็นมสมาธิเกิดทันทีเลยรวมบุบเลยเห็นไหมเอาแล้วหายใจได้อันนี้ห้ามใช้บ่อยถ้าใช้บ่อยจะติดเพ่งนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไม่มีเวลาทําสมาธิมากแล้วเราเหนื่อยนะอย่างสูงเราต้องเจอกับลูกค้าลูกค้าคนนี้เจอทีไรสติแตกทุกทีเลยนะเขาไม่แตกนะเราแตกเนะี่ยถ้าเจอลูกค้าอย่างนี้เนะตรียมตัวก่อนจะเจอเขานะ กำหนดใจปุ๊บลงไปเขาเปิด ต, ตูมารวมใจปุ๊บเดี๋ยวถอยออกมานะใจมีสมาธิแล้วทนฟังได้นานนะพอชักจะมโมโหอีกลั่นใจอีกทีอยาให้เขาเห็นนะถ้าเขาเห็นก็จะต้องชำนาญแบบหน้าตาเราไม่ประหลาดประหลาด <c oughs> อย่างนี้เดี๋ยวมันชกเอาเ <c oughs> นี่ยเราจะได้พลังนะ ไ ด, ได้สมาธิในเวลาสั้นเอาไว้ใช้ทำมาหากินได้สมาธิอย่างนี้นเวลารถจะความตายหรือเรือบินจะตกนั่งเรือบินไปเรือบินจะตกทำสมาธิอะไรไม่ได้ก็จับนี่อย่างนี้นะตายก็ไปสุคติได้แต่อย่าเล่นบ่อยอันนี้เอาไว้จวนตัวเราค่อยเล่ น, น ถ้าเล่นบ่อยเดี๋ยวเคยตัวจะติ ด, ตดสมาธิอย่างนี้แล้วไม่พัฒนาละเนี่ยสมาธิเนี่ยนะพอใจมันอยู่ในอารมณ์มันเดียวแล้วใจมันได้พักผ่อนใจจะมีกําลังถ้าใจไม่มีกําลังเวลาไปเดินวิปัสสนาเนะีใจจะฟุ้งซ่านทํำวิปัสสนาไม่ได้นานนะได้แว้บๆเดี๋ยวก็เสื่อมหมดละนะงั้นเวลาที่เราเดินวิปัสสนาเนี่ยถ้าสังเกตให้ดนะีอย่าเราเห็นรูปนามเกิดดับอย่างเราดูจิตเห็นความรู้สึกเกิดดับเกิดดับไปเรื่อยๆนะี มันจิตมันจะไม่เดินมิปัสสนาตลอดแล้วจิตมันจะพลิกตัวนะเป็นสมถะเป็นระยะระยะจิตมันจะเปลี่ยนมาทําสมถะเองนะเป็นระยะระยะถ้าเราแตกฉานทั้งสมถะและมิปัสสนาเรายังไม่พลาดอย่างเวลาที่เราเดินมิปัสสนาอยู่เราใช้สมาธิชนิดตั้งมั่นแล้วอยู่ๆจิตมันเปลี่ยนมาเป็นสมาธิชนิดเพ่งอารมณ์อยู่ในอารมณ์เดียวรวมบุบลงมาพักผ่อน ถ้าเราไม่รู้เนี่ยแล้วตอนนี้นิมิตเกิดขึ้ น, นเช่นเห็นแสงสว่างอะไรเกิดขึ้นนะเราจะนึกว่าบรรลุมรรคผลแล้วนี่ทําวิปัสสนาอยู่นี่เกิดแสงสว่างขึ้นมาแล้วนเนี่ยบรรลุแล้วที่จริงไม่ใช่กลายเป็นนิมิตเท่านั้นเองเพราะจิตเนี่ยพลิกจากการทําสมาธิชนิดวิปัสสนานะมาเป็นสมาธิชนิดทําสมถะเฉยๆนี่มันจะพลิกไปพลิกมาได้นะยิ่นถ้าเราแตกฉานในจิตของตน เราก็จะรู้ว่าตอนนี้จิตเข้าสมาธิชนิดไหนชนิดสงบในอารมณ์เดียวหรือชนิดที่ตั้งมั่นเอาไว้เดินปัญญาจิตชนิดที่สงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวนี้จะมีกับดักหรือมีเหยื่อล่อทําให้เราหลงผิดได้ก็คือนิมิตทั้งหลายนิมิตไม่ไปเกิดตอนทำพิปัสนานิมิตเกิดตอนทำสมถะชนิดสงบจะเกิดนิมิตได้ สิ่งที่เรียกว่านิมิตเนี่ยเป็นสิ่งที่จิตไปปลุงขึ้นมานะสิ่งที่จิตปลุงขึ้นมาเนี่ยเป็นรูปก็ได้อย่างเรานั่งสมาธิอยู่เราเห็นผีเดินมาทุบๆเดินมาจิตมันปลุงขึ้นมาเนี่ยมองเห็นหรือบางทีได้กลิ่นนิมิตเป็นกลิน่นก็มีนั่งสมาธิอยู่ได้กลิ่นหอมโชยมานะหรือได้กลิ่นเหม็ น, นมเน่าโชยมาเราก็จะหวั่นไหวถ้าหอมมาอู้กูเก่งเทวดามาหา เหม็นมาโอ้แย่แล้วผีมานะอนะไรเงีนะ้ยนะนิมิตเป็นรูปก็มีนะเป็นกลิ่นก็มีเป็นเสียงก็มีนั่งอยู่ได้ยินเสียงคนมาคุยกับเราอะไรเงี้ยนะนะเป็นรถก็มีนะกินอาหารกินข้าวเปล่าเปล่านีาาา่อร่อยอร่อนยะอร่อยมากเลยใครเคยเป็นไหมกินเนละ้ออร่อยในตำราชาบพูดบอกเทวดาเอารถทิพย์มาใส่ใหนะ้เป็นรูปการรู้ทางใจก็มีนะ นั่งนั่งอยู่ระลึกอดีตอนาคตอะไรเนี่ยจิตปรุงขึ้นทั้งนั้นแหล ะ, ะไม่ได้รู้ได้จริงด้วยะจิตมันหลอนอตายแล้วดูไปดูมานี่คนนี้แหละที่เป็นเพื่อนนั่งภาวนามาเรียนกรรมฐานที่วัดด้วยกันแล้วนั่งข้างเรานี่แหละชาติก่อนเป็นภรรยาเรานี่อย่างนี้ก็มีนะอีกคนหนึ่งก็คนนี้ชาติก่อนเป็นสามีเรานะถ้าเกิดไปเชื่อตรงกันก็เออไปแต่งงานกันนะ ก็จิตมันปรุงได้หมดเลยงั้นนิมิตนะ้ำมีทั้งรูปทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งรสทั้งสัมผัสทั้งเรื่องราวทางใจนะเวลานิมิตเกิดทํำยังไงอย่าไปเชื่อมันเวลานิมิตเกิดนะให้ย้อนเข้ามาที่จิตที่ใจของเรานะถ้าจิตเรายินดีชอบอกชอบใจในนิมิตนั้นให้รู้ทันถ้าจิตเราหวั่นไหวไม่ชอบหรือกลัวหรืออะไรขึ้นมาให้รู้ทันให้ย้อนเข้ามาที่จิตนี่ ถ้ายอนเข้ามาที่จิตได้นะพอจิตสงบเฉยๆแล้วไม่ยินดีไม่ยินร้ายอะไรถอยออกไปดูใหม่นะถ้าเป็นนิมิตปลอมมันจะหายไปมันจะไม่มีแล้วมันสลายไปแล้วสลายไปทันทีที่จิตเลิกปรุงแต่งนะแต่ถ้าเห็นผีมาเราใจกลัวเราย้อนมาตรงนี้ถ้ามัวแต่ดูที่ผีเนะ้่ผีแลบลิ้นเลยนะผีไทยเนี่ยทําไมชอบแลบลิ้นชอบแหกอกนะผีจีนชอบกระโดดตดองดองดองดอ ง, องไม่เหมือนกัน ผีฝรั่งก็ต้องพวกผีดิบใช่ไหมผีสุกไม่ค่อยมีผีฝรั่งผีไทยไม่ค่อยมีผีดิบมีแต่ผีสุกเผาหมดนะแล้วเหลือแต่วิญญาณต้องรอยถ้าผีญี่ปุ่นนี่ผีเครื่องใช้มีผีร่มผีอะไรอย่างนี้นะมันเป็นผีได้หมดนะถ้านิมิตเกิดเห็นผีย้อนมาดูที่จิตจิตกลัวรั่วกลัวปุ๊บความกลัวขาดนันย้อนออกไปดูถ้ามันยังอยู่นะแสดงว่ามันเป็นผีตัวจริง นะถ้ามันหายไปแล้วแสดงว่าจิตสร้างขึ้นเองอย่าไปเชื่อมันถ้าเป็นผีตัวจริงทํำยังไงก็แผ่ส่วนบุญไปใหนะ้ผีที่จะมาหาเราเนี้ยต้องเป็นญาติมิตรเราเขาจะมาขอส่วนบุญนะคล้ายๆเราภาวนาดีเราเป็นเศรษฐีแล้วญาติที่ยากจนก็มาหาพอเขามาหาเร า, เ า, า, าก็รีบไล่นะไปไปไปอะไรเงี้ยเขาเสียใจสงสารครับนะอย่าไปบอกเขานะไปที่ชอบที่ชอบเถอะไม่ดี งั้ น, นิมิตเนี่ยนะมันเกิดจากสมถะนะสมถะชนิดสงบทําสมถะชนิดสงบเนี่ยสิ่งที่มันหลอกลวงเราคือนิมิตวิธีแก้นิมิตคือย้อนเข้ามารู้ทันจิตนิมิตจะหายไปหมดเลยสมาธิชนิดหนึ่งเป็นสมาธิสําคัญที่ใช้ทําวิปัสสนาไอ้สมถะเอาไว้ทําอะไรเอาไว้ให้มีแรงเวลาเดินวิปัสสนามากๆนะจะหมดแรงหมดแรงเหนื่อยเหนื่อยแล้วทสมาธิชนิดสงบเนี่ย ใจได้ผักผ่อนคล้าย <luxury. disgusting. S 1> ๆเติมน้ํามันสัหน่อยใจมีแรงแล้วไปทําวิปัสสนาต่อมีประโยชน์นะฝึกได้ก็ฝึกอย่างน้อยได้นิดๆหน่อยๆได้พุทโธพุทโธไปทั้งวันนะทำอะไรไม่ได้สวดมนต์ไปเรื่อยๆสวดบ่อยๆเดี๋ยวก็ได้สมาธินิดๆหน่อยๆก็พอใช้อยู่สมที่อย่างที่สองเนี่ยสมาธิที่จิตตั้งมั่นวิธีฝึกก็คือให้รู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งอะไรก็ได้ที่เราถนัด ถนัดท่องพุทโธก็ท่องพุทโธไปแล้วจิตหนีไปคิดก็รู้ทันนะถนัดท่องพุทโธท่องพุทโธไปจิตไหลไปอยู่ในความว่างๆก็รู้ทันไปจิตเคลื่อนไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งอะไรอยู่ก็รู้นะถนัดรู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจไปรู้ลมหายใจแล้วจิตหนีไปคิดก็รู้ทันจิตไปเพ่งลมหายใจก็รู้ทันถนัดดูท้องพองยุบก็ดูไปนะจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งท้องก็รู้ทัน ถนัดขยับมือทําจังหวะจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งมือก็รู้ถนัดเดินจงกรมจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งร่างกายก็รู้อาจจะเพ่งทั้งตัวเลยก็ได้หรือเพ่งแต่ขาก็ได้ถ้าจิตเคลื่อนไปคิดก็รู้จิตเคลื่อนไปเพ่งก็รู้เนี่ยทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตแบบนี้เรื่อยๆนะทันทีที่รู้ว่าจิตมันเคลื่อนไปนะจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติเพราะจิตที่เคลื่อนนั้นเคลื่อนด้วยอํานาจของโมหะที่เรียกว่าอุทธัจฉ อุทัด จ, จะเป็นกิเลส ช, ชนิดหนึ่งเป็นความฟุ้งซ่านของจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมานะทันทีที่เรามีสติรู้เท่าทันความฟุ้งซ่านจะดับอัตโนมัติเพราะมีกฎของธรรมะว่าเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสเมื่อไรมีกิเลสเมื่อนั้นไม่มีสติเมื่อเราทำกรรมฐานชนิดหนึ่งอย่าไปห้ามจิตเคลื่อนจิตเป็นอนัตตาห้ามมันเคลื่อนไม่ได้มันจะเคลื่อนห้ามไม่ได้ถ้าห้ามเราเครียดเลยใช้ไม่ได้เลยนะ ขนาดทําสมถะที่สงบนะจิตยังเคลื่อนไปอยู่ที่อารมณ์มันเดียวเลยดังนั้นอย่างเคลื่อนนะสมาธิชนิดสงบเนี่ยเคลื่อนไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวงั้นเราจะห้ามจิตเคลื่อนเนี่ยห้ามไม่ได้เพราะจิตเนี่ยเคลื่อนตลอดเวลาอยู่แล้วเป็นอนัตตาสั่งไม่ได้ให้ใช้วิธีทํากรรมฐานสัอย่างหนึ่งแล้วจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนไปคิดก็รู้จิตเคลื่อนไปเพ่งก็รู้ตรงที่จิตเคลื่อนไปคิดเนี่ยดีที่สุดจิตเคลื่อนไปคิดปุ๊บทันทีที่เรารู้ปั๊บเนี่ยนะจิตจะตั้งมั่น ตื่นขึ้นอัตโนมัติเลยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอัตโนมัติแต่ถ้าจิตเคลื่อนไปเพ่งรู้ว่าเพ่งนะ่ะไม่หายนะเพราะอะไรจิตเคลื่อนไปคิดนึกปรุงแต่งฟุ้งซ่านไปเนี้ยจิตเป็นอกุศลจิตเคลื่อนไปแล้วไปสงบอยู่ในอารมณ์เดียวเป็นกุศลเมื่อจิตมันเป็นกุศลตอนสติเกิดเนี้ยกุศลไม่ดับหรอกไม่จําเป็นต้องดับเพราะฉะนั้นเวลาที่ไปเพ่งอยู่นะแก่ยากกว่าเผลอนะเผลอไปแล้วรู้ว่าเผลอเนี้ยได้สมาธิชนิดตั้งมั่นอัตโนมัติเลย แต่เพ่งอยู่รู้ว่าเพ่งมันไม่ค่อยมาหรอกต้องเลิกเพ่งซะก่อนทำไมถึงเพง่งเพราะว่าโลภอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้มันโลภนะอยากดนะีถ้าเรารู้ทันใจโลภนะใจเลิกโลภใจก็เลิกเพง่งใจไม่เพ่งนะคราวนี้ก็จะเผลอแล้เผลอเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้จะได้สมาธิชนิดที่ตั้งมั่นขึ้นมานะถ้าสมาธิชนิดตั้งมั่นเนี่ยจิตมันจะถอนตัวเป็นคนดูนะ ร่างกายก็จะเป็นของถูกดูความสุขทุกเป็นของถูกดูโลบโกรธหลงหรือความดีทั้งหลายเป็นของถูกดูจิตเองก็กลายเป็นของถูกดูด้วยนะนั้นเราจะต้องฝึกให้สําเร็จนะสมาธิชนิดนี้ส่วนสมาธิชนิดพักผ่อนนะกลั้นลมหายใจสักอึกหนึ่งก็ยังพอใช้ได้นะก็ไม่ยากอะไรนั้นจุดสําคัญเนี่ยต้องฝึกสมาธิอย่างหลังนี้ให้ได้ให้จิตเป็นคนรู้มันแตกหักกันตรงนี้เองนะ ดังสมาธิเนี่ยต้องแยกให้ออกว่ามีสองอย่างอันหนึ่งสงบในอารมณ์เดียวต้องเลือกอารมณ์ที่มีความสุขอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสแล้วน้อมใจอยู่กับอารมณ์นั้นอย่างสบายๆอันที่2ก็คือสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นไม่ไหลไปให้ใช้วิธีมีสติรู้ทันจิตที่ไหลไปทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วจิตไหลแล้วรู้เอาก็จะได้สมาธิอย่างที่สองวันนี้พูดเรื่องสมาธิให้ฟังแล้วนะ ไปจะเป็นเรื่องของการเจริญตัญญาละแต่ตอนนี้ต้องกินข้าวก่อนนิมนต์เลยครับโยมก็ไปทานข้าวไป